สิ่งใดที่เข้าไปยึดติดถือมั่นจะไม่ให้โทษนั้นเป็นไม่มีอาจารย์วศินอินทาศรสิ่งใดที่เราเข้าไปเกี่ยวพัน ยิตมั่นถือมัน่นสิ่งนั้นก็ทำให้เรามีปัญหานะเป็นโทษสาหรับเราทั้งนั้นแหละคาว่าเป็นโทษเป็นภัยนะี่ยก็คือทำให้จิตใจเราเนี่ยเป็นทุกข์ชีวิตของเราที่มีความทุกข์มีปัญหาก็เป็นเพราะว่าเราไปยึดมั่นถือมัน่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือมีความอยากมีตัณหาเขาครอบงมจิตใจจะเป็นตัณหาก็ดีความอยากก็ดีความยึดมั่นถึงมั่นก็ดีอันนี้ถือว่าเป็นสาเหตุของความทุกข์ผู้ที่อยากจะออกจากความทุกข์อยากจะพ้นทุกข์ก็ต้องละตัณหาละความยึดติดยึดมั่นกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็ทำให้ชีวิตเนี่ยมัน อยู่แบบสบายๆไม่ต้องแบกภาระอะไรไว้มันเป็นการง่ายที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขชีวิตของเราเนี่ยต้องใช้แบบง่ายๆอยู่แบบง่ายๆนี่จะมีความผ่อนคลายและก็เบาสบายบางทีเราอาจจะต้องเกี่ยวข้อง คือการทำงานการเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานทุกชีวิตเนี่ยอ ม, มีการทำงานงานเป็นเพียงสิ่งภายนอกเรื่องของงานเนี่ยเป็นเรื่องของโลกเป็นเรื่องสมมุติที่เราจำเป็นจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องงานเนี่ยไม่มีความสบายหรอกงานมีแต่ความลำบากมีแต่ความวุ่นวายต้องจัดต้องตรเตรียมอะไรมากมายมันเป็นสิ่งที่ ทำให้เราต้องเหน็ดเหนื่อยซึ่งทุกคนก็ไม่สามารถจะหลีกหนีเพราะเรื่องการงานได้แต่ถ้าเรารู้จักทำจิตทำใจของเราให้มันง่ายๆกับการทำงานใจรู้สึกง่ายๆกับการทำงานคือทาใจให้มันง่ายๆด้ง ย, ยงานแม้ว่าจะหนักหนา วุ่นวายสับสนขนาดไหนก็ตามก็กลายเป็นง่ายลงไปได้เหมือนกันนะงานจะง่ายจะยากนั้นบางทีมันก็ขึ้นอยู่ที่ใจเราเหมือนกันถ้าเราวางจิตวางใจถูกต้องเนี่ยของยากก็กลายเป็นง่ายของหนักก็กลายเป็นเบาสิ่งที่ตัวมันเป็นทุกข์ก็กลายเป็นไม่ทุกข์ก็ได้เนี่ยก็ อ, อยู่กับการทาใจแม้แต่อารมณ์ต่าง ที่เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยอารมณ์คือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ภายนอกที่ผ่านเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมันไม่เพียงแค่อารมณ์ที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปซึ่งเราไม่สามารถที่จะเลือกได้บังคับควบคุมก็ไม่ได้อารมณ์เขาก็เป็นอย่างนั้นมันมีการแ ป, ปรปลวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลง ตามอาการของสิ่งทั้งหลายทั้งโปวงนี่แหละเขาก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเรารู้จักทำใจให้รู้เท่าทันอารมณ์ใจเราก็จะไม่แปรปรวนไปด้วยนะแต่รู้ในความแปรปรวนของอารมณ์แต่จิตใจนี่ไม่ได้แปรปรวนไปด้วยเพียงแค่รับรู้รับทราบจะเป็นการงานก็ดีอารมณ์ที่มากระทบก็ดีแต่ถ้าเรารู้จักทาใจ ให้มันง่ายๆทําทงานก็ ร, รู้สึกให้มันง่ายๆ ง, งานที่ยากงานที่ลาําบากแต่เรามองว่าเออนี่เป็นงานบุญเราทําแล้วเราได้บุญใช่ไหมใจมันก็จะเบานะเรื่องของบุญเนี่ยวางใจดีๆเป็นเรื่องทําให้ใจเราเบาได้มันจะตั้งใจเต็มใจทํางานแบบมีความสุขเพราะใจมีความสุขอารมณ์ต่างๆที่มากระทบ ถ้าเรามองเห็นว่าเออนี่คือสิ่งที่มาให้จิตมันรู้มา้เราเจริญสติมาให้เราภาวนามาให้เราสร้างกุศลมา้เราเปฏิบัติมาเป็นฐานที่ตั้งของสติอารมณ์จะรุนแรงขนาดไหนก็ตามจิตมันก็จะเป็นปกติได้มันจะไม่แปรปรวนไปตามอารมณ์คือเราไม่เข้าอยู่ในอารมณ์เป็นผู้เห็นอารมณ์เอาอารมณ์นั้นเป็นสิ่งที่ให้สติเรารู้ซะ มันก็จะเกิดการแยกระหว่างอารมณ์ก็คืออารมณ์จิตผู้รู้ก็คือผู้รู้เห็นไหมไม่เกี่ยวข้องกันนะบางทีอาจจะเป็นอารมณ์อดีตซึ่งเราได้ผ่านมาแล้วคําว่าอาดีตนี่ก็คือสิ่งที่ผ่านไปแล้ววินาทีที่แล้วนาทีที่แล้วชั่วโมงที่แล้ววันที่ผ่านไปแล้วสัปดาห์ที่ผ่านไปแล้วเดือนที่ผ่านไปแล้ว ปีที่ผ่านไปแล้วชาติที่แล้วอันนี้คืออดีตอารมณ์ังนั้น่ะมันก็ย่อมมีการเกิดขึ้นได้ในณะบปัจจุบันถ้าเราขาดสติขาดความรู้สึกตัวหนึ่งเราก็จะฟังจิดฟังใจฟังตัวเราเข้าไปอยู่ในอารมณ์อดีตเลยที่ผ่านไปแล้วเข้าไปอยู่เข้าไปเป็ น, ป น, ปนใจมันก็หนักใจมันก็ทุกเลือดเป็นการยึดติดมันก็เกิดมีปัญหา ใจเราก็เป็นปัญหาบางทีอาจจะมีอารมณ์มากระทบจากอารมณ์ที่เราคิดถึงอนาคตอารมณ์อนาคตนี่เราเกิดจากความคิดนะเกิดจากความคิดของเราอนาคตคือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นในขณะนั้นแต่เพียงแต่เราคิดนึกออวินาทีข้างหน้าที่ยังไม่ถึงนาทีข้างหน้าชั่วโมงหน้า วันหน้าสัปดาห์หน้าเดือนหน้าปีหน้าชาติหน้าอันนี้ยังมาไม่ถึงดังนั้นเป็นเพียงแค่เราคิดนึกเอามันก็ย่อมมีนะในแต่ละวั น, นอารมณ์ที่เกิดจากความคิดนึกแนวอนาคตก็ย่อมมีการเกิดขึ้นได้ในปัจจุบันถ้าเราขาดสติขาดความรู้สึกตัวอารมณ์อน า, าคตเมื่อเกิดขึ้นในปัจจุบัน เราก็เข้าไปยึดติดไปฝังไปแน่นเห็นเป็นจริงเป็นจังเป็นทุกข์ล่วงหน้าแล้วคิดเป็นทุกข์ล่วงหน้าแล้วขาดทุนแล้วเพราะเราไม่เข้าใจเรื่องอารมณ์ซึ่งยังไม่เกิดขึ้นเลยแต่เราคิดว่ามันมีแล้วเป็นแล้วในตัวเราเพราะเราเผลอสติฝังกิตฝังใจไปกับอนาคตแม้แต่ปัจจุบันก็ตามปัจจุบันขณะที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเป็นอารมณ์ปัจจุบันเนี่ย อาจจะเป็นหน้าที่การงานซึ่งเราจะต้องกระทำหรือความคิดนึกทนานจิตใจเกิดความพอใจไม่พอใจงุดงิดอึดอัดขัดเคืองในขณะปัจจุบันนี้ขณะกำลังทำงานนี้ขณะที่มันคิดอยู่ขนาดนี้นี่ถ้าเราขาดสติแล้วก็ฝังจิตฝังใจไปกับอารมณ์ปัจจุบันเข้าไปอยู่กับปัจจุบันเลยะเป็นตัวเราเป็นของเราไปแบกไปยึด มันก็ไปทุกตัวนั้นเองเป็นผลนะคือความทุกขนะ์ใช่ไหมทั้งที่อารมณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเนี่ยถ้าเราเป็นเพียงแค่ผู้รู้ผู้เห็นในอารมณ์เหล่านั้นอารมณ์แบบนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม้เรารู้เท่านั้นเองบางทีอารมณ์อดีตที่เกิดขึ้นความหงุดหงิดความที่เราหมกมุ่นกกับอารมณ์อดีตเนี่ยเอามาคิดในปัจจุบันแม้ว่าจะเป็นอารมณ์อดีต แต่ถ้าเรามีสติรู้ทันในอารมณ์นั้นอารมณ์อดีตนั้นก็กลายเป็นอารมณ์ปัจจุบันให้เราได้รู้ได้ไม่เข้าไปเป็นกับอดีตรเรียกการเจริญสติแม้ว่าอารมณ์อนาคตที่จะมาเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เกิดจากการฝึกนึกคิดเป็นความมิจตอ ก, กังวลคลุ่นคิดก็ตามแต่ถ้าเราฉลาดในการรู้เท่าทันอารมณ์แล้วก็เราจะเห็นว่าอารมณ์อดีต อ, อนาคตที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้านั้น ก็เป็นเพียงแค่อารมณ์ที่ถูกรู้เท่านั้นเองเรากลายเป็นผู้รู้ไปแล้วเป็นจิตผู้รู้ที่ไม่เข้าไปผูกพันกับอารมณ์แม้เกิดขึ้นเฉพาะหน้าปัจจุบันอารมณ์ปัจจุบันนั้นก็คือเกิดขึ้นที่เฉพาะหน้าเดี๋ยวนั้นทันทีที่เรารู้ทันเมื่อมีสติเนี่ยเราก็จะไม่เข้าไปเป็นอารมณ์ตรงนั้นนะอยู่กับปัจจุบันต้องอยู่อย่างมีสติถ้าอยู่กับปัจจุบันอย่างขาดสติเราก็เข้าไปเป็นปัจจุบัน ปัจจุบันบางทีมันมีความทุกข์มีความพอใจไม่พอใจถ้าเรารู้อยู่ดูอยู่เราก็ไม่เข้าไปเป็นกับความทุกข์เหล่านั้นความทุกข์ที่เกิดจากปัจจุบันก็เป็นเพียงแค่สิ่งที่ถูกรู้เท่านั้นการตระหติสติเนี่ยมันไม่ติดนะแม้ว่าอารมณ์อดีตอารมณ์อนาคตหรืออารมณ์ปัจจุบันมักเกิดขึ้นเฉพาะหน้าสติก็จะเข้าไปเป็นกับอารมณ์เหล่านั้น ไม่เข้าไปอยู่ไม่เข้าไปเป็นมาเป็นแค่ผู้ดูผู้รู้ปัญหาต่างๆแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นเป็นความอยากความยึดความพอใจไม่พอใจก็ไปเพียงแค่สิ่งที่ถูกรู้เท่านั้นตัญหาเป็นธรรมที่จะต้องละการรู้แต่ละครั้งต้องกลับเป็นการละไปในตัวเสร็จละเพราะเรารู้ทันรู้ เพื่อที่จะละโดยที่ไม่ต้องมาทําอะไรกับสิ่งเหล่านั้นเลยไม่ต้องไปทําอะไรกับกิเลสเพียงแค่รู้มันก็มีการละอยู่ในตัวแล้วกิเลสเป็นเพียงสิ่งที่มาให้เรารู้เท่านั้นพูดรู้ก็ไม่เป็นกับกิเลสนี่มันปลอดภัยนะแต่การรู้เนี่ยเราต้องรู้จักที่จะรู้ให้ถูกต้องวางจิตวางใจให้ถูกต้องหัวใจของการปฏิบัติก็ตรงเนี้ยต้องรู้จักวางจิตวางใจให้ถูกต้อง ถ้าวางใจไม่ถูกต้องล้วก็เราก็จะไม่รู้เฉยๆล้ะเราจะเข้าไปอยู่เข้าไปเป็นกับอาการต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ภายนอกจิตก็จะเป็นทุกข์แต่ถ้าเรารู้เฉยๆรู้แบบปล่อยๆวางๆาอารมณ์เหล่านั้นก็จะผ่านเวลามีเกิดอาการพอใจหรือไม่พอใจซึ่งเป็นอารมณ์ที่มากระทบท้นานจิตใจ แต่ถ้าเรามีสติรู้เฉยๆอารมณ์แนั้นก็จะหลุดไปแค่รู้มันก็ละแล้วเพราะนั้นอารมณ์ต่างๆจะเป็นสุขก็ดีทุกก็ดีที่มันจรมาสู่จิตสู่ใจเราเนี่ยอันนี้ถือว่าไม่สำคัญรูปรสกลิ่นเสียงความคิดนึกความสัมผัสต่างๆที่จรเข้ามาสู่จิตสู่ใจเราอันนี้ไม่สาคัญ สักวันที่ว่าเราวางจิตวางใจที่จะไปรู้อารมณ์นั้นอย่างไรสิ่งภายนอกที่มากระทบไม่สําคัญนะสำคัญว่าใจิตใจเราเนี่ยเข้าไปรู้อารมณ์นั้นรู้อย่างไรถ้าเราไปยึดติดยึดมั่นหรือไปต่อต้านเข้าไปอยู่เข้าไปเป็นใจเราก็จะเป็นทุกข์แต่ถ้าเราเพียงแค่รู้เฉย แบบปล่อยปล่อยวางๆาใจเป็นกลางแบบผ่อนคลายสดชื่นจิตมันก็หลุดพ้นจากอารมณ์นั้นโดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรเลยรู้อารมณ์อย่างถูกต้องคือรู้ใจแบบปล่อยปล่อยวางๆงแบบผ่อนคลายจิตเป็นกลางจิตก็หลุดพ้นจากอารมณ์นั้นได้มันง่ายนะการเจริญสติเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเกี่ยนอะไรเลยมันง่ายที่เราจะปฏิบัติการทางานที่มันยาก การทําครัวการกวาดพื้นกวาดบ้านจัดสิ่งของบางทีมันยากแม้แต่การขับรถนี่ก็ยากนะแต่การจิตสติเนี่ยง่ายง่ายกว่าการทํางานง่ายกว่าการทําครัวง่ายกว่าการขับรถซึ่งเป็นงานภายนอกแต่การจริตสติที่เป็นงานภายในแค่รู้นี่ก็สบายสบายแล้วทุกมีอยู่แล้วในตัวเราไม่ต้องไปหา ถามีสติรู้เป็นการเจริญสตินะได้ยไหมปัญหามันย่อมเกิดขึ้นเป็นขณะขณะเป็นความพอใจไม่พอใจเป็นสิ่งที่เราต้องละไม่ต้องไปทําอะไรกับปัญหาแค่รู้มันก็มีการละอยู่ในตัวแล้วทุกครั้งที่เรารู้ทุกระเหตุของความทุกความหลุดพ้นซึกงเป็นมีมุติก็มีเกิดขึ้นแล้วในขณะนั้นทุกครั้งที่รู้เนี่ยมันก็ไปมีมุตอยู่ในตัว ชั่วขนาดหนึ่งถ้ารู้บ่อยๆเห็นบ่อยๆกับอารมณ์ต่างๆมันก็หลุดบ่อยๆเลยมันสบายเลยง่ายกว่าการขับรถเลยนะเนี่ยก็เคยมีกุสินินาถเนี่ยพาญาติธรรมไปที่วัดป่าสุกโตเอารถไบฟ้าที่อาศัยการบังคับควบคุมโดยมือเนี่ยที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยเอาไปมอบให้ที่วัดป่าสุกโตพร้อมญาติธรรมร้ายคน ผมก็ลองนั่งดูก็คิดว่ามันคงจะยากเนะาะเพราะสิ่งเหล่านี้เราไม่เคยสัมผัสคงจะบังคับควบคุมไม่ถนัดเลยกุสีหน้าเธอก็บอกว่าอาจารย์การจิสติเนี่ยมันยากกว่าการบังคับรถไฟฟ้าได้ด้วยนะโอ้โหแต่เราก็คิดว่าการจิสตินี่มันง่ายที่สุดแล้วเนี่ยยังมีอะไรที่มัน ง, ง่ายกว่านี้อีกเลย <c oughs> ก็ลองเลยถือว่าการลองควบคุมเลย นั่งบนรถไฟฟ้าแล้วก็ควบคุมไปลงจากกุติไปประมาณ500เมตรควบคุมไปที่ศาลากไก่ก็พอดีมีญาติธรรมที่มาอยู่ปฏิบัติเป็นญาติธรรมจากโรงพยาบาลบุรีรัมมีคุณหมอมีคุณพยาบาลมีเจ้าหน้าที่ถืออกาศไปพูดคุยธรรมะเลยนั่งรถไฟฟ้าคันนี้ควบคุมไปแล้วก็ไปพูดคุยธรรมะ ผู้เสก็กลับบังคับรถกลับมาที่กุฏิผมว่ามันยังยากกว่าการจิสตินะอย่างไรก็ตามจนป่านนี้ผมใช้รถไปไป้านี่มาตั้ง5ปีแล้วผมก็ยังว่ายังยากกว่าการจิตสติอีกการจิตสติเนี่ยเป็นสิ่งที่ง่ายถ้าเรารู้จักวางจิตวางย้ให้ถูกต้องสิ่งที่เราคิดว่ามันยาก ก็กลายเป็นง่ายไปทันที